วันนี้มีรถตู้มาจากไหนไหมไม่มีมีคอสไหมไม่มีเนเยอะหรือเงินคนคอสต้องพัฒนานะกลุ่มต้องแบ่งกลุ่มบางคนพอนาเป็นแล้ว ต้องลงมือปฏิบัติฟังอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์อะไรจริงจำไว้แล้วไม่นานก็ลืมไมไม่เหมือนการปฏิบัตินะมันจะฝังเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกเราข้ามพบพวามชาติไปอย่างเราเคย ทำสมาธิชาติต่อไปเร า, าทำสมาธิง่ายเราคนเป็นตั้งแต่เด็กเลยเข้าสมาธิได้แต่เด็กเข้าฌานได้คนไม่เคยเข้าฌานมาฝึกเนี่ยยากมากที่จะทำได้หรือคนไม่เคยฝึกจิตให้ตั้งมั่น พอไปทำสมาธิที่ไรจิตไหลทุกทีไหลเข้าไปแช่อยู่ในอารมณ์เมืนเดียวเวลาทำสมาธิอย่างเรารู้ลมหายใจจิตมันไหลไปรวมเขาเ้ากับลมหายใจพอลมหายใจสั้นสั้นลงนะกลายเป็นแสงจิตจะไปรวมกับแสงจิตเคลื่อนไปไม่เห็น จิตเคลื่อนไปอย่างนี้เจริญปัญญาไม่ได้ได้แต่สมถะได้ความสงบอย่างเดียวก็ไม่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูเป็นผู้เห็นปรากฏการทั้งหลายของรูปธรรมนามธรรมถึงจะเดินปัญญาได้นีคนที่ไม่เคยฝึกให้จิตตั้งมั่น หายากนะคนที่ฝึกให้จิตตั้งมั่นคนที่ทำสมาธิส่วนใหญ่เนี่ยฝึกให้จิตสงบให้จิตจะไหลไปอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งๆอยู่นั้นนั้นเราไปดูคนที่นั่งสมาธิเกือบร้อยละร้อ ย, อยนั่งแบบฤาษีสงบไปเฉยๆจิตเคลื่อนไปสว่างสบายไปอยู่ตรงนั้นที่ก็มีพลัง มีพลังของจิตที่ก็เชื่อมต่อกับข้างนอกได้เพราะจิมอยู่ข้างนอกมีเชื่อมต่อกับเทวดาผีสางนางไม้อะไรอย่างนี้หลวงพ่อก่อนจะบวชนะหลวงพ่อยางเล่นสมาธิสองอย่างสมาธิสงบอยู่ข้างนอกก็เล่นเหมือนกันกานจิตมันจะออกรู้ออกเห็นอะไรโลดโผนไป พอมาบวชมาตั้งอกตั้งใจภาวนามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์จิตไม่ออกไปข้างนอกเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันนะกับหลงอา้าอย่างผีจะมาขอส่วนบุญเนี่ยต้องไปบอกหลวงอา <c ười> เป็นเอเย่นค่อยมาบอกหลวงพ่ออีกทีใจเราไม่เอา ใจไม่สนใจเนี่ยสมาธิออกนอกเที่ยวรู้เที่ยวเห็นแต่สิ่งที่ไปรู้ไปเห็นเนี่ยจริงหรือไม่จริงตอบไม่ถูกเชื่อไม่ได้เชื่อถืออะไรไม่ได้บางทีกิเลสก็าพาให้เราออกรู้ออกเห็น อย่างคนชอบรู้อะไรข้างนอกมนนาม น, นั่งสมาธินิดเดียวจิตไปข้างนอกเที่ยวรู้ข้างนอกทีน่ากลัวนะจิตมันถอดออกแกรร่างกายเราเนี่ยวิ่งเข้าไปสำรวจซากศพอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ผีสิงคนนะคนสิงผีเนี้ยสารพัดน่ากลัวไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุข ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับนี่เป็นไปเพื่อความคุ้งซ่านเพื่อความสนองกิเลสรู้เห็นอะไรมากกว่าคนอื่นรู้สึกกูเก่งกูเก่งแต่คนไหนที่จิตเคยฝึกที่จะรู้สึกตัวมันจะรู้สึกตัวง่ายอย่างบางคนตอนเด็กๆมีอะไรให้ตกใจ ทันทีที่ตกใจเนะยจิตย้อนกลับเข้ามาเป็นผู้รู้เลยอัตโนมัติเมื่อก่อนเคยมีพระมาเล่าให้ฟังว่าตอนท่านเป็นใบรุ่นท่านไปนงานลอยกระทงเขาชอบจุดพลุลอยกระทงไปยืนอยู่ใกล้ๆที่เขาจะจุดพลุโดยไม่รู้แล้วก็จุดระเบิดเปลี่ยงขึ้นมานะบอกตกใจพอตกใจปุ๊บจิตรวมเข้าฐานเลย จิตตั้งมั่นเป็นคนดูเพราะอะไรทำไมมันตั้งขึ้นมาได้ความตกใจเกิดขึ้นสติระลึกรู้ทันสภาวะตกใจที่กำลังปรากฏเนี่ยสติรู้สภาวะที่เป็นปัจจุบันลนะจิตยึดถผางตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาเลยนี่ถ้าเราจะรอให้ตกใจแล้วก็หลุดขึ้นมาเนี่ยบางทีไม่ค่อยตกใจ ถ้าตกใจก็สติแตกไม่ยอมขึ้นมาตัวผู้รู้ไม่ยอมขึ้นมาดัน้นเวลาเราฝึกเราไม่ได้มาฝึ ก, ออกสภาวะตกใจเราดูสภาวะอื่นที่มันเกิดบ่อยๆสภาวะที่เกิดบ่อยก็สภาวะที่จิตไปคิดสภาวะจิตคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดจิตไปดูจิตไปฟังเนี่ยยังรองลงมายังเราหลับตาอยู่ยังคิดได้เลยเอามือถูไว้เราก็ยังฟัง ใจมันยังคิดได้เราไม่ฟังแต่แว่าใจมันยังคิดได้เพั้นจิตคิดนี่เป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดเรารู้ทันจิตที่คิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้เรื่องที่คิดหมายังรู้เลยหมาคิดอะไรหมาไม่ย่างรู้เรื่องที่คิดไม่ใช่อัศจรรย์แต่ที่พวกเราฝึกเนี่ยเราฝึกรู้ว่าจิตคิดไม่เหมือนกันนะรู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิด แปลได้ไหมสรัรยะใครแปลซิมนานเนีมยบางคนบอกว่าหลวงพ่อบอกให้รู้ความคิดรู้ความคิดเรื่องราวที่คิดใช้ไม่ได้นะถ้ารู้อาการคิดของจิตอันนั้นแหละเรียกว่ารู้ทันเป็นสภาวะอาการคิดของจิตเรื่องราวที่จิตคิดเป็นบัญญ งันครูบัอจาจะสอนให้รู้ทันจิตที่คิดส่วนมากจะไปจำเป็นว่าให้รู้ทันกวามคิดไปคิดอะไรไร้สาระที่สุดเลยเสียสาระสำคัญไปถ้าเมื่อไรเรารู้สภาวะที่เป็นปัจจุบันสติรู้ทันปั๊บสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเลยจิต ท, ที่ตั้งมั่นเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพรา ะ, ะนั้นทันทีที่รู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้ก็เกิดจิตคิดได้เกิดบ่อยที่สุดทั้งวัน หัดดูตัวที่เกิดบ่อยๆบางคนบอกว่าถ้าฟ้าร้องทีหนึ่งจะรู้สึกทีหนึง่งเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่สวนโพบวดใหม่ๆนะมีคนเข้าไปเรียนหมามันเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากเลยมันบอกมันไม่เอาพุทโทรหรอกหลวงพ่อบอกให้พุทโทไปแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตนีไปคิดไม่เอาผมใช้อย่างอื่นได้ไหมถามใช้อะไรถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกบอกไอา้าเอ้ยปีหนึ่งมันจะร้องสักกี่ครั้ง ทำไมไม่เอาของที่เกิดบ่อยๆฟ้าไม่ได้ลองทุกวันเนี่ยใช่ไหมงั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราหัดรู้นะรูปธรรมนามธรรม ท, ที่ท่านสอนให้เราหัดรู้นะเป็นสิ่งที่เกิดทั้งวันเช่นสภาวะร่างกายที่หายใจออกสภาวะร่างกายที่หายใจเข้าถ้าหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกก็จะรู้สึกตัวทั้งวันหรือยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเกิดทั้งวัน ไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็นั่งไม่นั่งก็นอนอนะไรเนี่ยหมุนอย่างนี้ทั้งวันวิยาบทพิเศษเช่นกระโดดอนะไรเนี้นานๆีทีใครจะกระโดดทั้งวันนะแต่ที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยยืนเดินนั่งนอนมีสติรู้อยู่เป็นสิ่งที่เกิดทั้งวันถ้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวได้ก็คือรู้สึกตัวได้ทั้งวันแนะ้วหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกก็คือรู้สึกได้ทั้งวันนละ้ ถ้าเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกก็คือหยุดรู้สึกได้ทั้งวันละหรือสภาวะที่เป็นนามธรรมอย่างความสุขความทุกข์ในกายหรือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดในใจอันนี้เกิดทั้งวันอยู่แล้วในใจเราเนี่ยดูสิไม่สุขก็ทุกข์ใช่ไหมไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยทั้งวันมีอยู่แค่เนี้ถ้าเห็นสุขก็มีสติรู้สึกตัวนะทุกข์ก็รู้สึก เฉยๆก็รู้สึกจะรู้สึกได้ทั้งวันล้วในกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้เราเนี่ยเกิดทั้งวันไม่ใช่กรรมฐานที่นานๆเกิดที่หนึ่งหรือบางคนขี้โกรธตามองเห็นรูปก็หงุดหงิดหูได้ยินเสียงก็หงุดหงิดหงุดหงิดเก่งพวกเราจํานวนมากเป็นพวกขี้หงุดหงิดคือหงุดหงิดอยู่เรื่อยๆ อะไรกระทบก็หงุดหยิดอะไรกระทบ้าหงุดหงิดบทีคนมาชมอยางหงุดหงิดเลยชมซ้ำซากไม่ชมแบบใหม่ๆเลยชมเหมือนเดิมทุกวันมาสวยอย่างโ น, น้นสวยอย่างนี้ฟังแล้วเบื่อพวกเรามีใครใครชมว่าเราสวยบ้างไหมมีแหมหรือพวกเราอาภัพขนาด <laughs> <laughs> พ่อเราไม่มีหัวสถาปัตย์เลยนะไม่มีใครชม คนสวยๆคือคนชมมัสวยอย่างง้อย่างงี้ฟังแล้วจืดเคยมีนั่งดนตรีคนหนึ่งนะเขาเป็นไม่ใช่ตัวนั่งดนตรีฮะเป็นคนให้จังหวะเรียกอะไรคอนดักเตอร์ให้จังหวะคนพอไปแสดงดนตรีงานใหญ่ๆนะคนไปชมแกว่าโอให้จังหวะเก่งอย่างง้อยังงี้แกฟังแล้วแกเฉยๆเพราะแกฟังทุกวันเพรแกให้จังหวะเก่ง เฉยๆมีคนหนึ่งไปชมแกเวลาที่เคลื่อนไหวเนี่ยสง่างามมากเลยแกบอกอ้ยแกขดลุกทั้งตัวเลยนะรื้ ม, มากเลยแล้วคำเนี้ยจเที่ไปเล่าเจอใครก็เล่าไปเรื่อยๆนะไม่มีใครชมไอ้แบบนี้จิตชอบมากนี่เราเวลาออกนอกเรื่องไปไกลละเดี๋ยว เดี๋ยวพวกเราอย่งงงนะหัดรู้สภาวะที่เกิดบ่อยๆสมว่าเราขี้โลภใครก็ชมเราก็ปลื้มอย่างเงี้ยเราก็ดูจิตโลภนะจิตมีราคากรนะะทบอารมณ์ได้ยินอย่างนี้ก็ปลื้มมีความสุขนะตามองเห็นอย่างนี้ก็ชอบใจบางคนมันมีบุญ น, นะเจออะไรมันชอบหมดเลยนะเจอของไม่น่าชอบนะก็ะยังชอบ นะไ่เจอคนหับของขายอยู่ข้างถนนนะกินเฉากล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมีความสุขเท่าแบบพวกที่กินของแพงเหมือนกันอพวกนี้พวกบุญมากนะเปลี่ยนชื่อเป็นนายบุญมากไดนะ้คือมันกระทบอารมณ์อะไรเนี่ยล้วแต่เป็นอิทธารูปนะบุญให้ผลมานะพวกที่กระทบอะไรที่มีความสุขเยอะๆนะ่ะราค้ามแทรกง่าย ตามมองเห็นก็มีความสุขหูได้ยินเสียงก็มีความสุขะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนันก็มีแต่ความสุขพรมีความสุขราคาจะแทรง่ายมีความสุขแล้วมันชอบใจเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ราคาเกิดทั้งวันกระทบอารมณ์ทงราคาเกิดทีกระทบทีเกิดทีเราก็ดูราคะราคาเกิดทั้งวันจิตทั้งวันจะมีสองชนิดเท่านั้น จิตที่มีราคากับจิตที่ไม่มีราคาจิตที่ไม่มีราคาจะเป็นจิตที่มีโทสะก็ได้เป็นจิตมีโมหะเฉยๆก็ได้เป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้แต่ว่ามองในภาพรวมทั้งวันจิตมีสองชนิดเองคือจิตที่มีราคากับจิตไม่มีราคานี่บางคนบุญน้อยกระทบอารมณ์ที่ไรล้วนแต่เป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเรียกอนิจฐานลม จะทบอารมณ์ที่ไม่ชอบโทรสาจะแทรกเห็ น, น, นได้นี่ก็ไม่มีความสุขโทรสาก็แทรกเห็นได้นี่ก็ไม่มีความสุขมีทุกข์ขึ้นมาโทรสาก็แทก ท, ทั้งวันเราก็ดูจิตจิตทั้งวันมีอยู่สองอย่างเองจิตมีโทรสากับจิตไม่มีโทรสาถ้าจิตมีโทรสาก็ารู้จิตไม่มีโทรสาก็ารู้ก็จะรู้จิตทั้งวันเลยเนยี่ยจะรู้ได้ทั้งวันเลย เนี่ยกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้เรานะเป็นกรรมฐานที่เกิดทั้งวันนี่นเราหาเชื่องอยู่นะที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้เพื่อจะได้มีสติทั้งวันนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวถ้าแค่นี้ได้แค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปดูอย่างอื่นแล้วนะหาใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกก็รู้สึกทั้งวันเพราะนั้นเราฝึกกรรมฐานเนะี่ยฝึกกันเดียวพอนะอันที่เราถนัดที่สุด ขี้โกรธก็ดูทั้งวันมีแต่จิตโกรธแต่จิตไม่โกรธขี้โลภทั้งวันก็ดูจิตโลภกต่จิตไม่โลภชอบฟุ้งซ่านชับหลงใจลอยทั้งวันมีอยู่สองอย่างจิตหลงกับจิตไม่หลงเน่ยดูอย่างนี้เร้เลยหรือดูสุขทุกข์ทั้งวันก็ไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆทั้งวันมีแค่นี้เองดูได้ทั้งวันสติก็เกิดทั้งวัน เงี้สติปัฏฐานในเบื้องต้นเนี่ยเป็นไปเพื่อความมีสติตลอดเวลานะที่ตื่นอยู่ถ้าหลับแล้วก็แล้วไปถ้าหลับแล้วสติอัตโนมัติจะทํางานได้พวกเราต้องฝึกจนถึงจุดที่สติอัตโนมัติทํางานคือนะจะเข้าข่ายที่เริ่มปลอดภัยนะถ้าสติอัตโนมัติยังไม่ทํางานเนี่ยอย่างเวลาเราจะตายมันจะเกิดนิมิตนิมิตไม่ดีเกิดขึ้นนะสติไม่ทํางานเนี่ยจิตจับนิมิตที่ไม่ดีนั้นเลย ไปสู่ทุขติแต่ถ้าเราฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันจนชำนาญ น, นะจิตโกรธขึ้มารู้จิตอะไรขึ้นมารู้นะสภาวะอะไรเกิดรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปเวลาจะตายเกิดนิมิต น, นะเช่นเห็นนรกใจกลัวใจกลัวรู้ว่ากลัวปั๊บนะนรกสลายตัวเลยนรกนี่เราสร้างเองนะ ไม่ใช่วันรกเป็นเมืองเมืองหนึ่งมีลิมิตรัรบพลเมืองได้ห้าแสนเกินห้าแสนเรารับไม่ได้ไม่ใช่เราสร้างนรกของตัวเองขึ้นมาได้เสมอเพราะฉะนั้นไม่มีขอบเขตใหญ่ไปได้เรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่สตียัตนมัติเกิด น, นะจิตจะเป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลเนี่ยไปอาบายไม่ได้เพรา ะ, ะนันต้องฝึกนะเวลาฝันร้ายเรา้ยังตกใจกลัวไหม เรารู้สึกไหมว่าฝันใครทำได้บ้างเวลาฝันร้ายเรารู้ว่ารู้ว่ากลัวจนว่ากลัวรู้ว่ากลัวโกรธรู้ว่าโกรธเวลาฝันแล้วโกรธเคยเป็นไหมเรารู้ไหมว่าจิตกำลังโกรธตกนรกได้นะยังมีโอกาสตกนรกนะไม่แกล้งขูนะนี่เรื่องจริงเพราะเวลาที่จะตายเนี่ยมันจะมีนิมิตนิมิตมันเหมือนฝันนั่นแหละ แต่ว่านิมิตเนี่ยแสดงได้สามลักษณะอันหนึ่งแสดงกรรมที่เราเคยทําแล้วชดจำนานนะเช่นทุกวันต้องเชือดคอไก่วันละตัวเอามาแก้มเล่าอะไรเงี้ยเวลาจะตายก็จะเห็นการเชือดไก่นิมิตบางอย่างจะแสดงสั ญ, ญลักษณ์ของการทํากรรมรือเครื่องมือที่เราใช้ทํากรรมเห็นมีดที่ใช้เชือดเชือดไก่ อยนี้ก็ได้นิมิตอย่างที่สามเนี่ยเห็นที่ที่เราจะไปเกิดเห็นที่ที่จะไปเกิดเกิดเป็นหมาเป็นแมวแล้วก็เห็นมาเห็นแมวขึ้นมา น, นิมิตพวกนี้จะเกิดถ้าสติระลึกรู้นะเระลึกรู้ปุบนิมิตที่ไม่ดีจะดับแล้วมันจะเกิดนิมิตที่ดีขึ้นแทนงั้นถ้าพวกเราวัดตัวเองได้เลย ถ้าเวลาฝันร้ายแล้วสติไม่เกิดเนี่ยถือว่ายังปฏิบัติไม่พอนะยังเสี่ยงอยู่น่ากลัวไหมออต้องไปฝึกนะในบางคนมันคิดว่าชาติหน้าไม่มีผีไม่มีเปรตไม่มีสุรกายสัตว์นรกไม่มีมงี้เง้าอย่างเงี้ยมันไม่เห็นนะนะพวกที่ชอบแต่ฟิสิกคิดนะว่าฟิสิกคือคำตอบทั้งหมด ฟิสิกส์อาจจะตอบได้ทั้งหมดนะถ้าฟิสิกส์สมบูรณ์ถ้าฟิสิกส์ไม่สมบูรณ์จะตอบได้ไม่หมดจะทั่วคำนองของคนเรียนวิทยาศาสตร์มันทีไม่ดีจะดูถูกสิ่งซึ่งตัวเองยังไม่รู้นะจะปฏิเสธไว้ก่อนลงมาศึกษาลงมาภาวนานะเราจะรู้ว่ามันของจริงๆนะไม่ได้หลอกเคยมีคนหนึ่งนั่งรถทัวร์ไปเชียงราย มันไปมืดๆตื่นมาก่อนจะสว่างเลยอยู่แถวล้ำปางเป็นป่าในยุคนั้นยังเป็นป่าอยู่เห็นพระเดินทุดงอยู่พระนี่ตัวสูงเท่าภูเขาสว่างสวัยนะผ่องใสงามมากเลยพระนี่ก็สงสัยทําไมเป็นเปลิดแล้วเที่ยวเดินหาทางออกจากป่าอยู่นะ จิตมันก็บอกขึ้นมาบอกว่าเป็นพาธุดงหลงป่านะถือศีลมาอย่างดีเลยพอหลงป่าหลายวันเนี่ยหิวมากจิตใจเนี่ยมีโลภะเกิดขึ้นตามความหิวโลภอยากได้อาหารมาเลยทุรนทุไลหาทางออกจากป่าด้วยหาว่าจะมีอะไรบินทบาดได้สุดท้ายตายด้วยจิต ท, ที่โลภ ตายด้วยจิตที่โลภไปเป็นเปรดแต่ถือศีลมาอย่างดีนะเป็นเปรดที่สวยงามนะเนี่ยกรรมให้ผลนะมันจัดสรรมาเพราะงั้นเปรดบางตัวสวยนะสวยว่าพวกเราอีกนะพวกเราแจ่กว่าเปรดบางตัวนะเนี่ยกรรมมันจะให้ผลอย่างรวดเร็วเลยงัเราต้องฝึกจนกระทั่งสติอัตโนมัติเกิด บางคนฝึกง่ายเพราะชาติก่อนเคยได้มาแล้วเคยฝึกมาแล้วเคยเจริญสติปัฏฐานจนสติเกิดอัตโนมัติมาแล้วแล้วตายยังไม่ได้มรกผลสติอัตโนมัติเกิดง่ายมีอะไรมากระทบที่แรงกว่าปกตินิดเดียวสติอัตโนมัติเกิดเลยเช่นเขาจุดปุ๊งขึ้นมาตกใจสติเกิดเลยเห็นจิตที่ตกใจสภาวะรู้ก็เกิดขึ้นเลยบางคนเคยแยกขัน เคยฝึกแยกขันมาชาตินี้แยกขันง่ายบอกคาสองคาก็แยกได้แล้วร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูทำได้ทันทีเลยบางคนก็จะเริ่มงงว่งจะแยกได้ไงร่างกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเค้ืไหวแลใจอยู่ไหน <c oughs> หาใจไม่เจอไปจับใจอยู่ลืมตัวร่างกายอีกละไม่รู้สึกแล้วหรือบอกแยกขันค่อยๆฝึกแยก ถอดจิตออกไปจากร่างนี่ละมั้งเรียกว่าแยกขันบ้าสนะิแยกอะไรอย่างนั้นไอ้นั้นถอดจิตออกจากร่างนะแล้วก็เที่ยวไปที่อื่นได้เที่ยวไปนานๆก็กลัวว่ามันจะไม่กลับมานะก็ต้องรีบกลับมาไอ้ออจิตการแยกขันไม่ใช่การถอดจิตออกจากร่างนะไม่ใช่ดึงจิตไปไว้ข้างบนแล้วก็มองลงมาข้างล่างจิตก็อยู่กับขันปกตินเอง แต่เรารู้ว่ามันเป็นคนละขันกันนะร่างกายก็ขันหนึ่งเวทนานก็เป็นอีกขันหนึ่งนะความจําก็เป็นอีกขันหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วเป็นอีกขันหนึ่งจิตเป็นอีกขันหนึ่งเป็นคนรู้เปนะ็นแยกอย่างนี้แยกกันแล้วเราเห็นว่าแต่ละตัวทำหน้าที่ของตัวเองได้แต่ละตัวก็ทำหน้าที่ของมันอย่างอิสระไม่ใช่แยกขันด้วยการถอดจิตออกจากร่างนะถอดจิตออกจากร่างไปอยู่ที่อื่น แต่นั่นไม่ใช่การแ ย, ขแยกขันแยกขันเนี่ยขันอยู่อย่างนี้แหละแต่มันแยกโดยความรู้สึกรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยจิตมันเป็นคนเห็นหรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตมันเป็นคนเห็นรอบตรดหลงเกิดขึ้นจิตมันเป็นคนเห็นอย่างนี้เรียกว่าแยกงั้นไม่ต้องแยกออกไปอยู่นอกร่างกายนะถ้าถอดจิตออกนอกร่างกายผิดทันทีเลยเพราะการปฏิบัติเนี่ยไม่ให้เกิดกายออกไปนะถ้าเกิดกายออกไปไม่ถูกแล้ว ต้องอยู่ที่กายอยู่ในกายในใจของเราเนี้ยถ้าเกินกายเกินใจออกไปไม่ถูกเนี่ยคนไหนไม่เคยแยกขันได้นะฟังธรรมะว่าให้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ก็แยกได้เลยง่ายๆบางคนก็เห็นสภาวะแต่และอย่างสแสดงไตรลักษณ์ได้อันนี้เคยเจริญปัญญามาแล้วเคยเจริญวิปัสสนามาแล้วมันจะไม่เหมือนระดับแยกขัน ระดับแยกขันธ์เนี่ยยังไม่ถึงวิปัสนาเป็นปัญญาขั้นต้นเป็นปัญญาขั้นต้นยังไม่ใช่วิปัสนาปัญญาวิปัสนาปัญญาเนี่ยต้องเห็นแจ้งในไตรลักษนณะ์เห็นไตรลักษณ์ได้ถึงจะเป็นวิปัสนาปัญญาเพราะฉะั้นบางคนเนี่ยเคยเห็นความโกรธเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะความโกรธตัวเดียวนี่แหละเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่ถ้า ดูว่าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้สึกอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้นะห่างไปใช้ไม่ได้สติไม่ทันต้องตามรู้แบบกระชั้นชิดตามรู้สึกบางคนฝึกง่ายนะพอขันแยกปุ๊บเนเห็นใจรลักษณ์เห็นร่างกายที่ถูกรู้ร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันถูกรู้ถูกดูมันรู้สึกขึ้นมาเลยนะเนี่ยเห็นใจรักเลย หรือเราเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตเราเป็นสภาวะธรรมที่แปลกปลอมเข้ามาเกิดแล้วก็ดับไปนะอย่างนี้พวกเคยทำวิปัสสนามาแต่ชาติบางก่อนพอลงมือทานะปุ๊บเนี่ยมันเข้าถูกที่เลยถ้าเรายังไม่เป็นแบบนี้ต้องฝึกกว่าจะมาถึงแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยต้องทุ่มเทต้องพากเพียรเพราะจิตไม่คุ้นเคย จิตไม่คุ้นเคยกับการทําความสงบจิตไม่คุ้นเคยกับการฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตไม่คุ้นเคยกับการแยกขันจิตไม่คุ้นเคยกับการเจริญวิปัสสนาที่เห็นรูปนามขันห้าแสดงไตรลักษณ์ต้องฝึกนะต้องค่อยๆฝึกขึ้นมาชาตินี้ยากชาติหน้าก็ ง, ง่ายนะถ้าชาตินี้ยากแล้วไม่ทาชาติหน้าก็ยากกว่านี้อีกเพราะจิตจะเคยชินที่จะแยกกว่านี้อีกนะ จิตมีธรรมชาติที่ไหลลงต่ำเรื่อยๆไปะไหลลงจนสุดขีดแล้วค่อยเด้งขึ้นมาจรที น, น่ะลงไปถึงนรกแล้วค่อยเด้งขึ้นมาหน่แล้วก็มกักจะหล่นลงไปอีกกว่าจะหลุดขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเดี๋ยวนี้ตอนนี้หลุดขึ้นมาแล้วนะบางคนยังคิดถึงบ้านเดิมอ <laughs> ใจเนี่ยเจือด้วยโทรศัทั้งวันเลยนนะี่ยังคิดถึงบ้านเดิมที่จากมา ก็จะเวียนกลับไปหาที่เดิมงั้นเราหลุดออกมาแล้วตอนเนี้รีบฝึกยังไม่มีสติฝึกให้มีสติยังไม่มีความตั้งมั่นฝึกให้มีความตั้งมั่นมีความตั้งมั่นแล้วแยกขันยังไม่เคยแยกก็หาแยกแยกขันแล้วดูขันแสดงใจรับมันไม่ยอมแสดงหาทางดูให้มันแสดงมันมีทริคในการทำํทำทําได้ ใจจิตไม่มีสติทำไงให้มีสติหัดรู้สภาวะบ่อยๆสภาวะที่เกิดทั้งวันอะนะอะไรก็ได้สักคู่เดียวนะเช่นจิตสุขจิตทุกข์อะไรเงี้ยดูไปเรื่อยๆหายใจออกหายใจเข้าอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆนะถ้าหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึ ก, ส ก, ส ก, ก, สกดีรู้สึกนะลดตกลงรู้สึกได้สติจะเกิดต้องฝึกของฟรีไม่มีบางคนฝึกมาแต่ชาติก่อน ปุ๊บเดียวก็สำเร็จแล้วทำได้แล้วถ้าเรายังไม่เป็นทําสติปัฏฐานไปมีสติะระลึกรูปนามไปอันที่เราถนัดถ้าจิตไม่เคยสงบฝึกให้สงบโดยการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมไฟไม่ได้บังคับแค่น้อมน้อมไปอีกรีไม่เหมือนกันบังคับนี่ข่มจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์ันนั้นข่มจิตแล้วจิตจะ อ, อ่นัด สมาธิจะไม่เกิดงั้นถ้าต้องการให้จิตสงบเราฝึกนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขเช่นเราเคยไปให้อาหารปลานะไม่จําเป็นว่าตอนนี้ต้องวิ่งไปให้อาหารปลาตอนนี้เราต้องการความสงบเรานึกถึงตอนที่เราให้อาหารปลาไม่ใช่ปลาในตู้นะปลาในแม่น้ำํำอะไรเงี้ยถ้าให้อาหารปลาตู้เนี่ยกําลังทารุนสัตว์อยูนะ่ไม่ได้บุญอะไรหรอกไปจับเข้ามาขัง ให้เรียงปลาไหนแม่น้ำนใจมีความสุขนะใจจะได้สมาธิขึ้นมาควาสุขตัวนี้เป็นกุศลด้วยใจจะได้สมาธิขึ้นมาสงบสบายหรือไม่เคยฝึกจิตตั้งมั่นก็ฝึกทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้โดยเฉพาะจิตที่เคลื่อนไปคิดเกิดบ่อยจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้สติจะเกิดขึ้นมา แล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตจะเป็นคนดูขึ้นมาอัตโนมัติเลยจิตไหลแล้วรู้เนี่ยสมาธิจะเกิดหรือรู้สึกตัวแล้วเนี่ยขันไม่แยกค่อยๆหันสอนมันดูนะเราขยับรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้เนี่ยใจเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้เ่หัดอย่างนี้มันก็จะแยกหรือโกรธขึ้นมาดูซิ ดูซิกรธ จ, จะเป็นยังไงดูไปเรื่อยๆความโกรธหายไปใจยังเป็นคนรู้อยู่ความโกรธกระใจเป็นคนละอันกันนฝะึก อ, อย่างนี้นะค่อยๆฝึกไปมีวิธีฝึกมากมายครูบาอาจารย์ที่แตกฉานมีวิธีสอนรู้สึกยได้เยอะแยะไปหมดเลยนะ้นพอพอแยกขันได้แล้วเนี่ยมันแยกแล้วมันอยู่เฉยอย่างเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแล้วเฉวยอยู่อย่างนั้นนะเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึก ไม่เกิดปัญญานะใช้คิดพิจารณาร่างกายนี้ผมกนเล็บฟันนังเนื้อเองนกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาค่อยๆคิดค่อยๆสอนเรื่องใจรักนะค่อยๆคิดค่อยๆสอนเรื่องใจรักแล้วเดี๋ยวจิตมันจะมองใจลักได้เองนี่เป็นอุบายเป็นแท็กติกเป็นแท็ติกนะนี่ถ้าเราเคยฝึกมาดีแล้วไม่ต้องใช้แท็กติกเลยพอได้ยินครูบาอาจารย์บอกปุ๊บทําได้เลย ไม่ต้องมีแทกติกนี้ถ้าไม่เผยได้มาก็ต้องฝึกดูรูปนามสแสดงใจลักสอนมันก่อนสอนมันให้หัดมองในมุมของใจลักมองกายในมุมของใจลักมองจิตใจในมุมของใจลักแล้วต่อไปมันจะเห็นได้แต่ตอนที่เห็นแล้วเนี่ยอย่าคิดไม่ต้องพิจรารณาให้ตามมีสติตามระลึกไปเลย มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสติตามระลึกรู้สภาวธรรมที่เกิดดับเกยดแปลงนะแล้วปัญญาจะเกิดเองปัญญาสั่งให้เกิดไม่ได้นะปัญญาเกิดเองวิมุตต์พอศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์นะวิมุตตคือมรรคผลจะเกิดเองนะพอวิมุตตเกิดแล้ววิมุตตญาณทัศ น, นะจะเกิดเองวิมุตต์ญาณทัศนะเนี่ยคือปัจเจกขณะยาน หลังจากที่บรรลุอริยมรรคบรรลุอริยผลจิตจะถอนออกจากสมาธิะไม่อยู่ในโลกปัจจุบันเนี้ยแล้วมันจะทวนกลับเข้าไปใหม่ไปดูว่าเมื่อกี้อะไรเกิดขึ้นกิเลสอะไรล้างแล้วกิเลสอะไรยังไม่ได้ล้างกิเลสอะไรล้างถาวรกิเลสอะไรล้างชั่วคราวจะเข้าไปดูตัวนี้ได้จะเข้าใจไม่สงสัยเลยในความเป็นพระริยะของตัวเองจะไม่สงสัยแต่พวกภาวนาผิดก็ไม่สงสัยเหมือนกันนะ คิดว่าเป็นรูพาลหันนะบางคนก็คิดว่าเป็นภาริยาแล้วสติยังไม่มีเลยว่าเป็นภาริยาเห็นแล้วจับตบหน้าทําไมต้องตบหน้ามันมันจะได้โกรธพอโกรธแล้วจะได้รู้ว่าไม่ใช่พาละหันหลงนะเธอแต่คือเป็นตบมันต้องเตะเราก่อนที่มันจะดูก่อนที่มันจะรู้ว่าโกรธมันรู้ไม่ทันเราชราแล้วเราต้องเจียมสังขารงั้นสอนกรรมฐานหลังๆนี้นุ่มนวลกว่าสมัยโบราณ น, นะสมัยก่อน ดูวันนี้เยอะเลยเดี๋ยวนี้แก่แล้วต้องทนุถนอมพวกเราหน่อยเดี๋ยวมันโกรธลุกขึ้นมาซัดเรานะบางองค์โดนนะองค์โดนนะใครเล่าธรูบาอาจารย์ใหญ่องค์หนึ่งเลยใส่พองชุกโดนเตะคออาพาธแล้วมรณภาพไปแต่มาเตะหลวงพ่อไม่ได้ง่ายนะ เพราะว่าเราฝึกมิทยายุทธ์อ้าวไปกินข้าวนี่หมดเลยครับช่วยกรรมการ